เรื่องพระจันทาพะทระเถระพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปรารบพระจันทาพระได้ยินว่าในอดีตการพ่อค้าในกรุงพระนศีคนหนึ่งคิดว่าเราจะไปสู่ปัญจันะชนบทแล้วนำแม่จันแดงมา เขาขนเอาเสื้อผ้าอาพรเป็นต้นเป็นอันมากไปชนบทด้วยเกวียนห้าร้อยเล่มนั่งบนยานไปสู่ประตูเรือนของชาวชนบทเอาวัตถุผ้าอาพร อ, ออกจากจ่ายจนทุกเรือนแล้วกลับมานอนสบายอย่างที่พักรั้นเวลาเย็นพอขานั่งบนที่นอนถามเจ้าบ้านว่าท่านไปป่าไปเขาท่านเห็นอะไรมีมากชนเจ้าถิ่นตอบว่าฉันเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่ง กิ่งมีสีแดงมีมากพ่อค้าจึงไปกับชายเจ้าถิ่นตัดต้นจันแดงบรรทุกเวียนห้าร้อยเล่มสั่งบอกสหายชายเจ้าถิ่นว่าพึงนำมาเฉพาะต้นไม้นี้สู่สำนักฉันในกรุงพาราณสีแล้วเดินทางกลับพาราณสีด้วยเวียนบรรทุกต้นจันแดงห้าร้อยเล่มกลับกรุงพาราณสีแล้วเขาบูชาด้วยไม้จันแดงและผงจันแดง แกสถูกทองอันเขาประดิษฐานเมื่อพระกัสปะพุทธเจ้าปริณิพานแล้วบูรพากกรรมของเขามีเพียงเท่านี้เขาจุติจากอัตภาพนั้นเกิดในเทวโลกอย่างพุทธทันดอนหนึ่งในเทวโลกในพุทธุบาตการนี้เกิดในสกุลพราหมหาศาลในกรุงราชคกษมีรัศมีเช่นกับด้วยมวลทนประจัน ตั้งขึ้นจากมนทนแห่งหนาพีของเขาเพราะเหตุนั้นจึงขนานนามว่าจันทาภะเพราะผลแห่งบุญที่ทำดุจมนทนแห่งพระจันทร์ในพระเจดีของเขาเนื่องด้วยการบูชาพระกัสปะพระพุทธเจ้านั้นพรามทั้งหลายคิดว่าหากนาเอาจันทาภะออกไปให้ชนทั้งหลายลูกคลามสรีระผู้นั้นจะได้อริยะสมบัติต่าง ใครที่ให้ทรัพย์จึงได้เพื่อเอามือลูกคลาถูกต้องสรีระของจันทาพะนั้นเขาเที่ยวไปอย่างนั้นได้ทรัพย์มากเที่ยวไปจนถึงกรุงสาวัตถีลเห็นชนทั้งหลายเดินถือดอกไม้ทูกเทียนเครื่องศักระเพื่อไปฟังธรรมของพระศัสดาชนทั้งหลายเชื้อเชิญจันทาพะไปสู่วิหารเพื่อจะเห็นพระศัสดามีอนุภาพมาก ได้พาจันทาภะไปสู่วิหารแล้วพระสัสดาได้ทรงทำให้รัศมีเพียงดังพระจันทร์ของจันทาภะหายไปเขาอับเชาในสำนักพระสัสดาประหนึ่งกาในกระเช้าทานจันทาภะเลื่อมใสพระสาสดาจึงขอบวชเพื่อเรียนมนต์พระสาสดาทรงตรัสบอกอาการ32โกฏาสะคือการพิจารณากาย มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเขาบรรลุอรหัตโดยสองถึงสามวันเท่านั้นแล้วทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้จันทาภาบุตรของเรามีอาสวะสิ้นแล้วย่อมกล่าวว่ามีธรรมะเป็นเครื่องไม่ไปเสียแล้วเป็นความจริงเครื่องไม่ไปในที่นี้คือการไม่กลับไปครองเรือน ดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาว่าเราเรียกผู้บริสุทธิ์ผ่องใสไม่คุณมัวมีพบสิ้นแล้วเหมือนพระจันทร์ที่ปราศจากมวลทินนั้นว่าเป็นพรามในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิพลเป็นต้นดังนี้แหละ